เจริญพรอุบาสิกาแม่ชีทุกทุกท่านที่ใฝ่ในธรรมทั้งหลายพวกเราที่มาในทีนี้ก็คือมาฝึกหัด ต, ตัวเองตัวเองนี่าไม่เคยได้ฝึกหัดตัวเองทักทีฝึกหัดแต่ทางอื่นทางอื่นเป็นหมด ตรจเป็นญญาก็มีจบไล่ๆไปก็มีแต่ว่าส่วนจิตใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราเพวกเราก็ไม่รู้จักอให้จิตใจของเรานีรุ่มเรลวรุ่ม ร, มรุมดันดอนไปตามภาษาเตามมันไปตามใจตัวเองเนาะค่อยๆกับบัวกับขวยมันไม่มีเม่มมีผู้ไปเลี้ยงไปดูมัน ปล่อยไปตามยถากรรมมันก็เข้ารัวเข้าไปหากินของกินอะไรของคนอื่นเรื่อยๆไปทำให้เจ้าของผู้คุ้มครองนี่เป็นผู้ทุกข์ไปที่ไหนเขาก็เอาไปซื้อไปขาย <c oughs> <c oughs> เราใจใ จ, ใจพวกเรามันมีเป็นอยู่นั้นไปตามยธากรรม อยากรักก็รักอยากชังก็ชังอยากอิจฉาอยากพยาบาทอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากเป็นนู้นอยากเป็นนี่ถารพัฒนตั้งจะแต่แต่มันจะเป็นเป็นคนหลงหลงตนหลงลืมตัวหลงกายลืมใจตั้งเอาแต่เขาจะไปที่ไหนเข า, าเขาพาโกดก็โกดด้วยเขาเขาพาวะเลาะร้องไห้ก็ไปวะเลาะร้องไ ห, ห้กับเขา เขาพาไปอะไรก็ไปตามเรื่องตามเราตามยะถากรรมนี่คิดว่าเกิดมาตามยะถากรรมเขาเรียกว่าเกิดเพิ่มขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติสร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวเองอนันนรกเห็นนัลกเป็นตะวนันเห็นกูอยากเป็นดอกบัวเห็นถูกเป็นผิดเห็นเห็นผิดเป็นถูกมันจะเป็นอย่างนี้นตลอดไป เพิดเพลินในการหาอยู่หากินถูกตามีตามก็ไปเพิดเพลินไปกับตามีหูก็เพิดเพลินไปกับหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันก็เพิดเพลินไปบางทีก็ทุกข์บางทีก็สุขบางทีก็ทีก็รักบางทีก็ชังไม่เคยได้กลับขึ้นมาดูตัวเองเลยคิดแล้วพอเรามาเข้าใจแล้วเนี่ยไม่เกิดมาอะไร เกิดมาสร้างพบสร้างชาติในตัวเองมาสร้างกรรมสร้างเวรสร้างสิ่งที่จะทุกข์ให้ตัวเองเอทุกข์เข้ามาก็ว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำมาให้เราทุกข์แต่ที่จริงแล้วไม่มีตัวเองเป็นบ้าเองเอไปหาว่าคนนั้นมาทำให้เราทุกข์คนนี้มาทาให้เราทุกข์เราไม่ได้ฝึกกิดฝึกแกตัวเองเราก็ปล่อยไปตามยถ า, ากรรมมันคนไหนเขา พูดดีๆเขามายกยอสรรเสริญเราก็ไปติดใจไปความกยกยอสรรเสริญ น, นั่นแหละพอติดสรรเสริญแล้วก็ไปรักเขาไปห่วงเขาอยากได้เขามาเป็นลูกเป็นเต้าอยากได้เขามาเป็นผัวเป็นเมียสารพัดนั่นแหละมันเป็นทุกคนนะอันเนี้ยเป็นเป็นอยู่กับหมดคนมันจะเป็นอยู่นั้นบางคนตั้งแต่เราไม่มาเจอนลองคอดเทียนหลวงปู่เ ท, เทียนแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนั้นตลอดตาย ไม่รู้จักอะไรอย่างเราเพ้อเนี่แหละพราะหนึ่งถ้าไม่มาเจอของหลวงปู่เทียนเนี่ยกระพูบาจานจะไม่เจอแบบจะไม่เห็นแบบมีเลยเป็นไปตลอดจนตายถึงตายใจขาดไปก็สิ่งที่เรามาทาั้งอดู่นนี่แหละมันจะพาเราไปเขาเรียกว่าบกวนเวียนไหว้ใจเกิดไม่รู้จักไม่รู้จักสิ้นเนีย่ยไม่รู้จักกลับมาดูตัวเองปล่อยให้จิตให้จิตให้ใจต่อไปสร้างกรรมทังเวรให้ตัวเอง บาปกรรมนําไล่อยู่นี่แหละเวียนกันอยู่นี่แหละจะหนีไปโลกอันนี้มันก็หนีไปได้ไม่ได้ประเดียวเป็นสัตว์นรกปรเดียวเป็นเปรบางเดียวก็เป็นอสุรกายไม่ง่าวนๆอยู่นี้แหละแล้วก็ไปเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ก็ไม่แช่ว่ามันเป็นได้ง่ายๆมันต้องลดลดมาต้องรู้จักความเป็นสัตว์ในดิฉันเป็นสัตว์นรกเป็นเปรเป็นอสุรกายนี่เราเห็นอารมณ์เราเองเห็นจิตใจของเรามันเป็น เราได้ถอดได้ถอนออกไปแล้วก็มีความเมตตากรุณากันแล้วก็สงสารกันเนี่ยคนเรานี่เกิดขึ้นมานี่ก็คือเห็นความความเกิดความแก่ความเจ็บความตา ย, ยไม่ได้ไปอิจฉาไม่ได้ไปพยาบาทเมันก็จะตายอยู่แล้วเกิดมาตายทุกคนมาสร้างคุณงามความดีนะี่ก็น้อยนอ ย, นอยโดยมากมีตแต่มาสร้างกรรมสร้างเวรความชั่วให้ตัวเองนั่นแหละ เราไม่นึกเลยว่าเราทําอะไรเราก็ได้อันนั้นเนี่ยทำอะไรก็เป็นกรรมของเราทั้งหมดเลยอันดีแล้วก็ไปฝ่ายะกุศลคือความดีช่วยส่วนใฝ่ความชั่วเนี่ยเราทําทั้งกลางวันทั้งคืนทําอยู่ในใจนี่แหละไม่ได้ไปไหนก็คิดอยู่ในใจตัวเองเนี่แหละคิดหลังเฉียดคนนั้นหรือหลังเฉียดคนนี้จะจะไปอิ จ, จอช่าคนนั้นนี่นี่มันจะเป็นอยู่นั้นแ่ะ แล้วเราไม่ไม่แก้ตัวเองอ่ะอมันก็จะไปสร้างความทุกข์ให้แต่เจะใ ห, ให้เราเองแหละไม่ใช่ว่ามันจะแล้วไปเฉยๆนะเปลี่ยนกันรูเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันจองร่างจองผ่านเกิดมาเนี่ยถ้าเราปลดอันนี้ปล่อยอันนี้ไม่ได้เราก็จะเป็นมูลลโดดถกทอดที่เราจะไปครองสิ่งที่ขั้วสร้สางเรีซ้ำที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยนั่นแหละ นั่นแหละให้เราเรานี่ยแหละค่อยมันไม่ค่อยรู้จักไปเราไม่อยากค่อยยกระดับจิตของเราเป็นเทวดาเนี่ยรู้จักมีความละายใจใจอะไรผิดสินบิดรำผิดอะไรเนี่ยจะแบ่งเบียดคนตนและคนอื่นเนี่ยจะไม่ทําเลยเนี่ยจะมาคิดเห็นตัวเองคือว่าถ้าเราไปเราไปทําคนแบบเขาแบบนี้เขาก็จะถูกเหมือนเราที่เขามาลำทำให้เรานี่ก็ไม่กล้าอะไรจะากอายความละอายใจใจที่ความชั่วที่เราสร้างขึ้นน่ะนะ เราจะพยายามทำคุณงามความดีให้ตัวเองแล้วก็สงสารมีเมตตากรุณาบุทิาเบคะเป็นพระอริยะเจ้าไปเป็นนั่นแหละไปเรื่อยๆไปเราค่อยๆทาไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพระอินพระพรเป็นอันนี้แหละเป็นเทวดาเป็นพระอริยเจ้าค่อยนั่นแหละค่อยๆ ย, ยกระดับจิตของตัวขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปมันจะได้ คุณงามความดีมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราแล้วก็จิต จ, จ, จ, จ, จ, จ, จัดสันดานของเราที่เคยเทวต า, าที่ทําให้เราเป็นทุกข์นั่นน่ะเราจะค่อยละค่อยปล่อยค่อยวางไปเรารู้จักแล้วเราพยายาไม่กล้าไม่กล้ า, ลาทําความชัว่วเจะพูดจะคิดจะทําเราก็ต้องคิดก่อนแล้วก็เราก็ไม่กล้ า, ท, าทําเพราะว่าเทวดามีหิลิความไร้ใจใจมีโอตปะมีความจริงกลัวนั่นแหละไม่กล้าทํา ไม่มีใครจะมาใครเห็นดอกอพวกเราทาเองเนี่ยรู้เองเข้าใจเองไม่มีเทวดาองค์ในไม่มีพระองค์ใดไม่มีเทวเดาอะไรมาจะมาจดชื่อจดเรียงชื่อเสียงเรียงนามให้เราดอกที่ทำผิดลงไปนั่นนะ่ะเรานี่เราจดเองไม่มีใครจะเห็นกับเราเนี่ยเป็นจ่ามอนรกเป็นอะไรเป็นเคยทำผิดเล็กๆน้อยๆเรารู้จักเอง ไม่มีคนอื่นมามามมาลูกกับเราเราไปลักทำคนเดียวเราก็เห็นคนเดียวไปดำน้ำทำเราก็เห็นไปเข้าในห้องในหะที่ไปทำเราก็เห็นคนเดียวอันนี้จา่าพหอนรกผีทุกตัวเออถือเราทำอะไรไว้น่ยตัวนี้จะนาไปเห็นหมดเลยไปลักไปร้อนไปแหมข่มเหงไปเคยค่าไปข่มเหงใครที่ไหนก็ตัวเองไปเห็นเห็นตัวเอง ทำเองรู้เองนี่เราเกิดมาชาตินี้ไม่มีใครจะมาทําให้เราทุกข์เราทําเองกวามชั่วชั่วเราก็ทําเองความดีเราก็ทําเองอย่านึกว่าเทวดาองค์นั้นขายเทวดานี่ขายเทวดาที่มันขายก็คือความผิดของเราเนะี่ยที่ทํามาแล้วนะถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีไม่เป็นอะไรเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ไม่กล้าไม่กล้ารับความจริงถึงแม้ว่าจะทําความชั่วเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถจะรับเห็นกับหูกับค่าได้ค่านังค่าเขามันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับมีตั้งแต่ต่อสู้กันอย่างนี้อเป็นต่อไปเนี่ยพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติคือว่าจะมาไล่ของสิ่งที่มันพาเราชั่วช้วชามาตั้งแต่ก่อ น, นทำให้จิตใจเน่าใจเหม็นทำให้คนมีความอิจฉาพยาบาทกัน นั่นได้จองววนจองกรรมกันไปนั่นแหะเราจะรู้จักเราจะลดจะปล่อยจะวางไม่ถือสาให้ความเมตตาปานีกันมันจึงจะมีความสุขเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจมาที่นี่มาศึกษาเรื่องกายกับใจของเราสองอย่างเนี่ยเนี่ยทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเนี่ยให้เราหา ต, ตัวตัวเองให้เห็นก่อนหากายของเรานี้ยนะครับใจ เนี่ยตัวหนึ่งมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นอาการเฉยๆเนี่ยตัวนั่นแหละตัวหนึ่งเดี๋ยวยกมือหนึ่งขึ้นอ่ะมันรู้น่ะไม่มีตัวไม่ตนที่บอกตัวยกนี่ตัวหนึ่งตัวรู้ตัวหนึ่งให้หาของสองอย่างเนี่ยให้รู้จักว่าอันนี้ตัวนี้เป็นรูปอันณิจเป็นนามถ้ารู้จักแล้วเราจะรู้จักว่าทุกทางกายมันเป็นยังไงทุกทางใจมันจะเป็นยังไงแล้วทุกทางกายเนี่ยมัน มันมันเป็นวัตถุก็ว่าได้เอากายเนี่ยเป็นนิมิตความเจ็บความเปลอปวดความเหนื่อยความรามันจะเกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นไข้เป็นปวดหวัวเจ็บท้องมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วก็รักษาต้องไปหาหมอเนี่ยอันนี้เราต้องให้หมดความสามารถเราแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเด็กแต่งแต่ก่อน แต่ก่อนนั้นป่วยอยู่นานๆก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนโรคปัจจุบันทันด่วนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยตายเป็นเป็นวันนี้ตายวันนี้ก็มีบางทีนอนหลับไปตายไปก็มีถ้ามันไม่เข้าท่าก็ต้องรีบไปหาไปหาหมอหมอเนี่ยมันมีอยู่แล้วหยุดประจําหยุดตามหมู่บ้านตามอาเภอตามจังหวัดมีหมดแล้วทั่วประเทศไทยเราอย่าปล่อย ให้มันป่วยอยู่เฉยๆรีบไปหาหมอหมอว่าไงก็ต้องเชื่อหมออย่าไปเชื่อแต่พวกปีศาจที่อยู่ตามถนนรังนะเนีเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้มาทำเข็นอย่างนั้นอย่างนี้นไปหาใส่ร้ายไปสีไม่ดีเป็นน้ำผีพ่อพี่แม่พีปู่ย่าตายายสารพัดจะเป็นไปแต่ความจริงนั้นมันไม่ใช่อันนั้นนะ ไม่มีใครจะมาทำให้เราป่วยอ่ะเพ่อแม่ตายไปนี่ก็ห่วงลูกห่วงเต้าห่วงร้านเห่วงก็ต้องทำให้ดี ๆ, ๆแล้วนะอย่าไปคิดแบบนั้นเเหมือนเรารักลูกไนแหละไม่อยากให้ลูกเก็บลูกป่วยหรอกเใครเป็นอะไรก็วิ่งหายาช่วยกันเนี่ยท่านไปแล้วท่านก็ไม่มีปัญญาจะมาช่วยเราได้แล้วเป็นผีแล้ว เนี่จะว่าเป็นผีนี่คือคนตายเราแล้วเนี่ยแต่ว่าส่วนผีอยู่กับเราก็ไม่รู้อีกแหละเนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนกันตั้งแต่ก่อนน่ะกลัวผีเนี่ยกลัวแท้แท้แต่ที่จริงแล้วอผีตัวผีนี่ก็อยู่กับตัวเรานี่แหละตัวกลัวนั่นแหละตัวผีอ่ะถ้าเราไม่กลัวมันก็ไม่มีผีถ้ากลัวเมื่อไหร่ก็มีผีเมื่อนั้นเนี่ยนอนอยู่ที่เนี่ยเป็นนอนคนเดียวก็กลัวผีบางคน่ะแต่ที่จริงแล้ว อยู่กับความคิดเราอย่าไปเอานั่นทุกข์ทั้งกายแล้วก็คือคือนั่นแหละมันเดินไปนี้มันจะเห็นนักเด็ดมันทุกข์ทั้งกายนะมากส่วนทางใจนี่ก็ทุกข์น้อยน้อยคือคือมคิดนั่นแหละคิดไปที่เนื้อคิดอยากได้เป็นอย่างนั้นคิดอยากเป็นอย่างนี้พอเดินเข้าไปเนี่ยอยากรู้จากธรรมะอยากได้ธรรมะเมื่ อ, อไหรจะเกิดเมื่ อ, อไรจะเป็นเนี่ยเนี่ยอยากอยากไปดูตัวเองอยากเพ่งอยากกล้องมันเพราะว่าว่า เฮ็ดทำไงยังมันยังถูกเฮ็ดเดินแบบเด้ยังจะมันยังจะเข้าใจธรรมะวิธีเดินนี่ก็ให้เราดูดูกายกับใจเนีให้ระวังครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านพูดจะพูดให้ฟังแล้วก็จําจําไว้แล้วก็จําไว้วไวเฉยเฉย้นไปจำทำให้มันถูกแต่ว่ารู้ธรรมานี่ไม่ใช่ว่าจะไปเรียนรูปแบบเราเรียนเรียนหนังสือนะ เนี่ยคือว่าบอกแล้วก็ให้ทําไปทำมาทาให้มันเกิดเนี่ยทาไปทำมามันจะเกิดขึ้นให้เราเห็นความเจ็บเจ็บความปวดความเมื่อยเมื่อก็จะเหตุเกิดมาให้เราเห็นความเจ็บหัวปวดท้องทุกอย่างก็เกิดให้เราเห็นทางจิตใจเมื่อก็คิดอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อันซี่งในที่มันเกิดขึ้นมา ทุกอย่างนั้นน่ะอันไหนที่ชอบแกก็อยากให้มันเกิดเอยากให้มันเกิดอยู่งั้นเลยถ้ามันไม่มันหนีไปแล้วมันก็เป็นอันใหม่ไปก็เดินหาแล้วเนีนยเออเมื่อกี้นี้ไม่เป็นอย่างนี้นะมันอันตัวตัวที่มันเบาๆที่มันสบายๆเนี่ยมันไปอยู่ไหนก็ไาเดินหาอีกหมดค่าวันยังค่ามันก็ไม่เห็นมีแต่สับสนวุ่นวายหหน่วงหนวยไปซะมันมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราม่ชิดทเราิดไม่ถูก เราอยากได้อยากได้อะไรมาเนี่ยเพียงว่าตั้งแต่หายมาตั้งจังหวะให้รู้ความรู้สึกตัวสิ่งไหนมันเกิดมันก็จะเกิดให้เราเห็นเช่นความจิตหัวปวดท้องอย่างนี้มันก็เกิดให้เราเห็นเนี่ยมื่อยละหิวมันก็บอกให้เราเห็นเนี่ยความร้อนความหนาวจะเกิดให้เราเห็นหมดนั่นแหละจิตใจมันก็จะคิดไปที่โน้นที่นี่มันก็ เห็นอยู่นั่นแหละมีทางกายกับทางใจที่มันเดินท่องเที่ยวอยู่ในวัดตรงสารเนี่ยมาอาศัยกายเราเนี่ยเป็นนิมิตความร้อนก็อยู่ที่นี่หนาวก็อยู่ที่นี่ความเจ็บความปวดก็เกิดขึ้นมาอยู่ในกายของเรานี่แหละนั่นแหละใจมันก็อยากคิดไปทั้งโน้นจะคิดไปทางนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้สารพัดตั้งแมาไดคิดไปทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตมันจะเข้ามาหาเราแต่ว่าเราอย่าไปคิดเอา ธรรมดาสัญชาตญาณของเราที่มันมีอยู่กับเราเมื่อเกิดขึ้นมาให้ให้เราเนี่ยมันสอนเรามันบอกเราอันดีมันก็สอนเราอันชั่วมันก็สอนเราไม่ใช่ว่ามันไม่สอนถ้ามันมาไม่เกิดมาให้เราเห็นเราก็ไม่รู้จักว่าเราจะเอาอะไรมาดูเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เรามาดูอาการเกิดอาการถึงที่มันเปลี่ยนแปลงส่วนจิตส่วนใจของ เราเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นอยู่ เ, เดินเคลื่อนไหวใจก็รับรู้เดินเคลื่อนไหวใจก็รับรู้ให้อาศัยตัวนี้วางไม่ได้สองตัวเนี่ยตั้งแต่อารมณ์รูปนามตลอดถึงอารมณ์ปรมาท ต, ตลอดไปถ้าติดขัดอะไรก็ต้องมาอาศัยนี่แต่พวกใหม่ๆเนี่ยอย่าไปด่วนดูความคิดนะการปฏิบัติเนี่ยให้ดูความรู้สึกนี้ไปก่อนความคิดมันจะเป็นเองมันจะรู้เองมันจะเข้าใจเอง ให้ดูใจไปตามให้ดูคนเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้คนหนึ่งนั่นนะ่ะกายกายเป็นคนเคลื่อนไหวใจนั้นเป็นคนรู้อันนี้จำมันนี่อย่าลืมเออเอาไปปฏิบัติอย่าพอมันออกหนีไปบ้านหรือว่าไปที่ไหนก็ตามให้เฝ้ารีบเข้ามาหาตัวรู้สึกนี่เนี่ยกายเคลื่อนไหวทุกเมื่อน่ยทุกก้าวทุกปาดย่างเนี่ยมันจะรู้ จ, กจักอยู่ตลอดไปพอเหยียบดินปับ๊บรู้เลย เนี่ยเอาเท่านี้แล้วก็ยกมือนะ่ะพลิกขึ้นเรารู้จกักเอาลงเราก็รู้จักพลิกไปขึ้นมารู้รู้เท่านี้รู้เราส่วนเราทําให้มันเป็นมหาสติคือว่าจะปฏิบัติไปแบบวิธีใดก็ตามให้รู้ให้รู้อยู่เนี้ยตลอดไปความรู้สึกตัวเนี้ยถ้ามันเต็มมาแล้วนะมันจะค่อยจัดการของมันเองมันจะค่อยเข้าใจเองเราอย่าอยากไปเข้าใจอยากเห็นอยากเป็นอยากมี เนี่ยไปเอาคิดออกกันไม่ได้เรามาเนี่ยมาเลียนให้มันเกิดขึ้นเออเหมือนเรานี่ยที่แรกนี่มันก็ลําบากหน่อยนั่นแหละอดซาเอาหงุห ว, หวยดทลนทลายเอเดินไปอะไรก็ไม่เห็นอะไรจะเกิดมีแต่ความเจ็บความปวดความเมื่อยเหนื่อยความพุ่งสั้นลคาคัญสารพัดไปบ่นให้กับตัวเองเออก็มันมีอยู่แล้วมันเกิดให้เราเห็นให้อดทนในสิ่งที่มันเกิดนั่นแหละ เขาเรียกว่าพยามาลเนี่ยความเจ็บหัวปวดท้องวปวดปวอะไรก็ตามความคิดรักคิดยังคิดดีคิ ด, ด, คดทว่วสารพัดนันจะคิดหลายหลาเรื่องเป็นอดีตอนาคตมันก็ออกมาคิดหมดคิดไปแล้วก็เราอย่าไปนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราให้เราดูจากนั่นแหละทุกข์มันเกิดกับสิ่งที่มันเป็นอยูนั้นแหละสิ่งที่มันท่องเที่ยวได้อยู่ในวัฏสงสารคือเราเดินไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเราเห็น ทั้งกายมันก็ขึ้นขึ้นมาให้เราเห็นทั้งใจมันก็ขึ้นขึ้นมาเราเห็นเห็นแล้วเราอดทนต่อสู้คือไม่หนีไม่หนีไม่สู้คําว่าไม่หนี OC? ไม่สู้เนี่ยเอี <peror. S 1> เขามันจะคิดเท่าไหร่ก็ก็ตามเก้าเรื่องชิบเรื่องก็ก็ตา ม, เ, า เ, าตามเราไม่ไปสนใจให้เรามาอยู่กับตัวรู้สึกนี่ตั้งแต่ก่อนเราเข้าไปเป็นบัดนี้เราจะไม่เข้าไปเป็นคิดมันพาดไม่ชั่วแล้วก็ไปอยู่กับความชั่วกับมันมันพาดีใจก็ไปอยู่กับความดีกับมัน ต, ต, ough, ต, ต, ต, ตั้งแต่ก่อนเดี๋ยวนี้อะไรมีทั้งต้ต้าตัวตั้งแต่ก้อัหกหมดแหละหลอกหลอกล่อเราหมดเลยตัวเองหลอกตัวเอ ง, เองคือตัวเจเลตัญหานั่นแหะคือความคิดเนี่ยมันหลอกเราตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อมันมานี่ไมาเชื่อตั้งแต่ก่อนนั่นแหะมันเป็นนายเราบ่า น, นี้เราจะเปลี่ยนนายมันเราจะไปเรียกมันมาใช้นี่ยแหละกับตัวสติตัวปัญญาของเรา แ, แต่ว่าเราไม่ได้ฝึกขัดมัน มันก็เลยไปตามยถากรรมมันใช้ไม่เป็นวันนี้เราจะมาฝึกให้มันเป็นบอกให้มันกลับมาดูตัวเองเนี่ยมาดูมันไม่ไปตามมัน zy, มันดีมันก็ไม่เที่ยงมันชั่วมันก็ไม่เที่ยงเออที่มันเกิดข้นรอขึ้นเราไปไปเชื่อมันน่ะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีแล้วไม่อยากวางอยากได้เป็นของตัวอ่ไอ้ชั่วเขาไม่อยากได้มันเข้ามาแล้วอยากได้เมื่ไม่อยากได้อยากให้มันหนีอยากให้ไล่ ให้มันนี้ไปไกลๆไม่อยากเห็นไม่อยากดูเบื่อหน่ายมันเนี่ยเดีวมันเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแหละมันมีแล้วเราสะสมมาทุกอย่างวันนี้เราจะมาดูว่าเนี้ตัวจิกเลสของเรามันเป็นตัวกิเลสอย่าไปเชื่อมันนั่นเห็นแล้วก็ไปไม่ต้องมาอาศัยต่อรู้นี่ไม่ต้องเข้าไปเป็นกับเขาพอมาคิดปั๊บมาเรามาดูการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมาดูความรู้สึกตัวรู้สึกเนี่ยเร้าพุทธ พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บรริกบานเอาเมือไว้ข้างหลังเราก็รู้จักว่ามันกรรมมันเหยียดเราก็รู้จักตาไม่เห็นทำไมาจังรู้เนี่ยก็มันนั่นแหละมันมีมันมีนั่นแหละมันมีใจนมีใจคือว่ามันกรรมยุ่เนี่ยกรรมอยู่เนี่ยกรรมเหยียดกรรมเหยียดอยู่เนี่ยก็ใจยนั่นแหละมันพากรรมตัวลูกเนี่ยตัวูนี่แหละคือเอาใจเขาเรียกว่าเนี่ยตัวนามตัวนามเนี่ย มีมี ม, มีมีรูปมีนามรูปวัตัวของเราเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละเนี่ยมันเป็นเป็นกองทุบเป็นลังของโลกมาเกิดกับนี่แหละกับกายของเราเนี่ยให้เรารู้จักว่าส่วนกายส่วนใจของเราให้มันรู้จักเป็นอันเป็นอันไปทั้งหมดเนี่ยให้เราดูเฉยๆนี่แหละอาการเกิดมัน เ, เกิดอย่างนี้แหละให้เราพยายามทำํำเนี่ย ให้รู้จักรูปจากนามให้รู้จักรูปทำนามทำเราอย่าเดินไปเนี่ยเราอย่าอยู่เฉยเนี่ยดูใกล้ๆนี่แหละรูปรูปทำนามทำก็ากายนั่นแหละเป็นรูปธรรมเนีนามธรรมก็ใจนั่นแหละมันพาธรรมมีความรู้สึกกับการคู่กับผู้เคลื่อนไหวกับผู้รู้สึกท่านั่นแหละมันอยู่กับเราสอ ง, ส อ, งอย่างให้เราเอาอันนี้เนี่ยจำไว้ดีจําแล้วก็เอาไปอย่าอย่าไปเป็นนั่นะนี่ไม่ใช่นัน่นนี่นะครับพูด ให้หาอาการของมันเป็นอาการมันเป็นมันไม่มีตัวไม่มีตนให้เราให้เราดูเนี่ยดูกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้กายนั่นแหะมันเป็นนิมิต อ, อะไรเกิดกับกายทั้งหมดะจะเจ็บจะปวดจะเหนื่อยจะล่าจะไปทางไหนมาไหนเนี่ยมันที่เกีิดที่ก้านเกิดมามันเกิดนิมิตให้เราเห็นอให้เราเข้าใจ นี่แมันมานี่ก่อนแลเราเ ม, มานี่คือมามามาม า, มาดูทุกข์ไม่ใช่ว่าเจ้าเราจะไปดูอะไรก็ดูเนี่แหละเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไมื่แต่ทุกข์ตั้งอยู่ไมื่แต่ทุกข์ดับไปเนี่ยก็สิ่งที่มันเกิดกับเรามันมีกับเราเนี่ยแหละมันทุกข์ให้เราเห็นอยู่เนี่ยนี่แหละพยายามทํำวิธีปฏิ บ, บัตินี้ก็ให้เราดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยกายเนี่ยพอเดินเราเดินโยกกลมไปเนี่ย ให้ดูกายเคลื่อนไหวอยี่าปั๊บให้รู้จักเลยเฉพาะมันตกตรงพื้น น, นะเมื่อกลทกับพื้น น, นะรู้ขาซ้ายตกลงไปก็รู้ขาขวาตกลงไปก็รู้รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องรู้มากเนีไปเทไปถึงที่จุดหมายประทรบแล้วกกับกลั บ, ลบซ้ายกับขวาให้เรารู้จักเนี่ยกับขวาแล้วก็กลับซ้ายกับขวากับซ้ายเอออะไรเกิดขึ้นให้เราอดทนต่ออุปสรรค ซิงแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นนี่ยหนักเขาเก็บความปวดความเหนื่อยความร่าสารพัดหนึงนี่ยมันจะเกิดอะไรจิตใจว่าสารพัดหนึงนี่ยมันจะชิดคิดแล้วก็ให้เราอย่าเป็นผู้เป็นเจ็บปวดที่ไหนนะให้อดทนให้มีกําลังเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งตายก็ตายเมอบกายให้ถวายคิดวิทยให้พ่อให้พระพุทธให้พระธรรมให้พระสงฆ์ให้มันแจ็งเข้มแข็งจิตใจก็น้อยอ่อนอ่อนน้อมาได้ เราต้องเข้มแข็งให้เป็นคนใจเพชรอะไรก็ต่อสู้มันอะไรมาต่อสู้ขั้นเปรียบไปมานั้นอ่ะคล้ายๆกับเราไปดงเนี่ยเราไปได้แล้วเราต้องระวังอะไรมันจะเข้ามาเป็นเสียมาเราก็ต้องสู้เสียช่างมาเราก็ต้องสู้ช่างเหมือนเรามาปฏิบัตินี่แหละอะไรเกิดนั้นอ่ะมันทําให้เราทุกข์ยากลำบากอไม่อยากทําไม่อยากสู้ เนี่ยมันอย่างเป็นอะไรเป็นยอย่างคล้ายๆใจว่าจะตายเนี่ยก็ลองลองอดทนไปเอ้าตายก็ตายเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดมันเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ชี้ขั้นก็ชี้ขั้นเอาไม่ต้องเกียรติมันชี้เกียรติเราขยันเนี่ยมันไม่ทําเราทำเนี่ยเอาเแบบนี้แหละมอบกายถวายให้ชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะค่อยชนะเองมันต้องเข้มแข็งอันเนี่ยถ้าเราอ่อนเพี้ยเราก็จิตเหยียบ ย่าเราตายแบบนั้นอ่ะ <c oughs> ให้ค่อยๆทำไปให้รู้จักเนี่อย่าไปใจร้ายอย่าไปตามความคิดตัวเอง <c oughs> ความคิดเนี่ยมันจะพาเราคิดไปร้อยแปดพันประการนั่นแหละไม่อยากอยู่ไม่อยากทำอยากหนีไปบ้านอยากไปที่โน้นที่นี่เป็นดีกลัวอยู่นี่ไม่เห็นได้อะไรสารพัด น, นี่มันจะคิดไปนั่นแหละ เอตัดอดีตออกอย่าเอามาพูดมาปฏิบัติธรรมาเนี่ยเปสิ่งที่ล่วงทวารเราลงไปแล้วทั้งทวารปากลงไปลงไปแล้วนะอย่าไปเอามาคิดอีกเอีมันจะคิดดีคิดชั่วแล้วกัแล้วแล้วแต่ดีจะดีหรือก็เอามาทำเอามาอีกงมาใช้เอียงไม่ได้หรอกพอมันหมดแล้วมันหมดไปแล้วมันกลายไปแล้วหมดเวลาแล้วตั้งแต่ก่อนเคยมีเงินได้หลายนี่ก็ใช้หมดแล้ว เนี่ยมันเอาคืนมาไม่ได้หรอกให้เราอยู่ใน ป, ปัจจุบันเรื่อยๆไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปตั้งวิมานคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นเนีย่ยให้ดีอยู่ในปัจจุบันแย้ ใ, ในปัจจุบันทำปัจจุบันให้มันดีถ้าปัจจุบันดีมันดีหมดถ้าปัจจุบันไม่ดีมันไม่ดีถ้านี้ถ้าเรามาทำคุณงามความดีเราก็จะได้ไป เกิดชาติลุนชาติต่อไปอีกก็จะได้เป็นคนดีจะจิตใจของเราก็จะเป็นคนดีร่างกายเราก็จะอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองเราก็จะไม่อดไม่อยากถ้าเราทำดีในเดวนนี้ถ้าเราไม่ทำดีในเด๋อนนี้นั่นมันไม่ได้ได้หรอกทาดีเดือวนี้แหละถ้าเราทำดีเดือนเดือวนี้นะเราเราไม่ต้องไปปรารถนาอ้อนวอนหรอกเราทำแล้วมันต้องได้แน่นอน เ้าเท่าไมร่ทาเนี่ยไปปรารถนาอ้อนวอนให้สิ่งนั้นมาช่วยสิ่งนี้ไม่ช่วยไม่มีสิ่งที่มาช่วยหรอกเราทําเองเราทําเองเราเห็นเองเราเข้าใจเองนี่แหละอย่างเรามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเองเรารู้เองเราปฏิบัติเราเห็นเองเราเป็นผู้เห็นเองเนี่ยจกคนอื่นจะมารู้แทนเรารู่มาได้ต่างคนต่างรู้ต่างค น, ต, ง ต, งคนต่างทําเนีใครทําอะไรที่ทำของจริงก็ได้ของจริง ถ้าคนไหนไม่เป็นใจไม่จริงไม่ก็ได้ของปลอมไปได้ทุกคนนั่นะคนที่เกียดที่ข้านก็ได้คิความที่เกียดที่ข้านน่นแหละถ้าได้คนขยันหมั่นเพียรว่าได้ของดีของจริงไปไม่ปลอมเนี่ยให้พยายามค่อยปลดค่อยละค่อยปล่อยค่อยวางไปให้ได้แต่ของดีดมาใส่ใจไว้ ใครจะว่าจะดา่าจะดูถูกดินทาอะไรก็แล้วแต่เออมันเป็นแต่เพียงสมมุติเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ของจริงอันนั้นน่ะเนีเขาว่าให้เราเป็นอันนั้นว่าให้เราเป็นอันนี้ก็ไปโกรธให้เขาเนี่ยเขาว่าอีหมาหรือบักหมาก็ไปโกรธเนี่ยแต่จริงจริงแล้วตัวเองไม่เป็นหมาตัาก็อยู่เฉยๆเนี่ยแล้วเขาสมมุติให้เป็นชั่วข้าวแล้วก็ยังไปเชียดไปโกรธให้เขาอีก เนี่ยมันไม่ใช่เป็นหมาหรอกก็เป็นคนนั่นแหละคนที่ว่าเราเนีลยเป็นคนที่เราไม่ว่าเขาเนี่ยมันไม่เป็นหรอกเนี่ยให้พยายามเปลี่ยนใหม่รับงปเนี่ยเนี่ยจะไปโกรธว่าอะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยมันมากับนี่แหละหูแล้วก็มีอัดไว้ซะปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดดิน้นปิดกายปใดใไว้ซะใหญ่มันออกไปหา หาไปเอาของคนนั้นมาแบกมาหาคนนี้มาแบกเลี้ยงคนนั้นคก็เลียเเเ้ยงของเขาเขาเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเรารักษาเรื่องของเราที่มันเกิดกับเราเนี่ยแหละอย่าให้มันไปหาคนอื่นถ้าเราปล่อยไปหาคนอื่นก็ไปเข้าคนอื่นนี่แหละนี่แหละตัวผีอเห็นไหมไปเข้าคนอื่นแล้วก็โอ้คนอี้นั่นอันี่ดูถูกนินทาเ ม, มื่อกว่า ง, งั้นงี้ เ, งเกิดเครียดเกิดร้องไห้แล้วก็มีเกิดจะไปตีไปฆ่าเกิดถูกอาฆาตพยาบาทกันขึ้นมาทันทีเลย นั่นแหละตัวผีแล้วมันนี่อยา่างดูหน้าผีก็ไม่ยากเลยเคยเห็นคนเจียกจัก่ากันไหมเห็นพวกเมียเฉียงกันไหมเห็นเขาตีเขาจะคุมฆ่าคุมตีกันนั่นแหะหน้าตาเขาเป็นไงนั่นแหะหน้าใจไล่ไปผีใจดีอใจดีคือพระใจหน้าพระนี่ยิ้มแย้มแจ่มใจนะอใจพวกผีเนี่ยผห็นเรา อยากตีอยากฆ่ากันกัดแฉลวแมฟันใจกันจิตหน้าตานะ่ะเกิดเน่าไปหมดแล้วแหละเป็นเพศเปลี่ยนเป็นสีใหม่ไปหมดเลยหน้าตาคนดีดเนี่ ย, ยให่ครับให้หัวล้อกับหัวไม่ได้แหละเวลาผีเข้าเนะี่ยระวังอดีของของของขี้ไล่ของไม่ดีอย่าไปเอามันเป็นเพื่อนค่อยพูดปีกหน่อยก่อน นียค่อยคปฏิบัติไปอย่าไปอยากได้นะลูกเฉยเฉยอะไรเกิดก็ให้รู้เออมันเกิดขึ้นแล้ ว, ม, วมันปฏเบัตยเมื่ก็หายไปดอกมันไม่ตั้งอยู่นานดอกก็อดทนต่อความลําบากเราจะมาหาคุณงามความดีนี่แหละคนในที่ เ, ออเข้ามาที่นี่มันจะเป็นคนดีไปเรื่อยไปเด็กๆเข้าโรงเรียน นี่ก็ดีเนีเนี่ยพวกมอสองมอหนึ 1, ่งมอสองมอสามไปเนี่ยเคยมาแล้วนะเคยมาหลายแล้วพวกที่มาเรียนหนังสือตั้งแต่ก่อนสอบตกแลตกกระชี้เครียดไปชี้ไม่อยากไปโรงเรียนอย่างเนี้มาแล้วก็ได้สอบบางคนพอคิดเห็นครูวาจาเนั่นแหละยกมือขึ้นแล้วก็ตอบจะตอบปัญหาที่เขาตอบสอนมันวะนะ่าน่ะ ไม่ได้ก็ยกมืออ้อนวอยากจะให้อาจารย์ไปบอกโอ้ยหลวงพ่อมันเป็นอย่งางหลวงพ่อเนี่ยมาบอกผมตอบไปก็มันได้ได้มันได้เนี่ยผมไม่ตั้งแต่ก่อนผมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเคยมาถามเคยมาเคยมาบอกมาถามว่าพูดในฟังหลายคนแล้วเนี่ยบางคนตั้งแต่ปหนึ่งถึงออกได้จนได้เป็นครู ได้ที่หนึ่งไปตลอดไปเลยอย่างนั้นก็มีนี่มันมันมันมีเป็นของที่วิเศษของสิ่งนี้อ่ะทมาค้าขายจะทําอาชีพอะไรโอ้ยไม่ต้องลำบากขอให้เป็นคนขยันก็แล้วกันแล้วก็มันความขยันเมื่อจะเกิดขึ้นมาทุกอย่างทุกด้านที่มันเกิดขึ้นมามีธรรมะเนี่ยมีความเมตตาบาณีไว้ เออเอาไม่เห็นแก่ตัวมีความสงสารอยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้กีตจมันเป็นคนบุญเนี่ยไม่อยากไม่อยากอิจฉาไม่อยากกลัวใครได้ดีเนี่ยเป็นอย่างนั้นมีธรรมะให้เราพยายามตั้งแต่ก่อนเราเป็นยังไงที่ยังไม่มาวัดพอมาปฏิบัติแล้วออกไปอยู่บ้านมันเป็นยังไงให้เราทาให้เรารูจากเอง สิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาชีพของเราที่ทำอยู่นั่นนะ่ะมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยต่างเก่ากิตใจของเรานะั้น่ะมันจะเกิดความเอออยากพูดเอออยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้เนี่ยนะบุญอะไรเน่มันมาดึงกิดดึงใจของเรานะ่ไปเอง ไปหาอาชีพของเราไปหาความที่จะอยู่ดีสบายนั่นน่ะมันจะทำให้ตัวเองมีความสุขอันนี้เห็นเห็นนะนะผมผมหลวงพ่อเห็นแล้วนนเนี่ยเนี่ยบอกให้หลายๆคนได้ได้หลายคนอยู่พวกที่เล่นไพ่ไฮโลที่เก่งๆนะั้นก็เอามารักษาหลายแล้วนี่ก็ดี เนี่ยครัวผมจอเวลาใจที่จะลงกันแหละเอาละท่านนี้จบข่าละขอยุติเพียงท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งอกางใจประพฤติปฏิบัติให้ถึงเขาเข้าถึงเกณฑ์แท้ของพระพุทธศาสนาคือความสว่างความสะอาดความสงบความบริสุทธิ์ความสดใสว่องไวจงมีแจ่ท่านทุกท่านทุกคนเทิน